ก็เลยหันหลังกลับไปยังทางเดิมที่เดินมาเก้าที่1นก้าที่2อก้าที่3าก้าที่13บก้าที่14บสี่เก้าที่สิบหาไมมันไม่ถึงทางเดินสักทีก็เลยงงหรือว่าเราจะหลงทางคิดได้ก็เลยเดินกลับไปยังต้นกระโดนน้อยซึ่งเดินตอนนี้เนี่ยยอดด้วนไปแล้วนะคะก็ไม่ผิดตําแหน่งแน่นอนด้วนอยู่ต้นเดียวฉากหลังนี่เป็นต้นตะเคียนก็เลยเออเอาใหม่เดินใหม่เก้าที่1นก้าที่2อก้าที่3ไปเก้าที่8ปก้าที่10